จะต้องรักษาให้ดีนะไม่ผัวพันหัวแหนมีปกติเห็นโทษเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของความติดใจความผัวพั น, พนความยินดีคือโลภะนะมีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมใช้สอยคือพิจารณาก่อนจะใช้สอยว่าเราจะใช้จีวรเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อ ตกแต่งร่างกายให้สวยงาม น, นะแต่ว่าจะใช้เพื่อการร้อนกันหนาวเป็นต้นดูกรพิสูจน์ทั้งหลายกสปะนี้เป็นผู้สันโดษด้วยบินทบาทคืออาหารนั่นเองข้าวน้ำตามมีตามได้และเป็นผู้กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษ ด, ด้วยบิณทบาทตามมีตามได้ไม่ถึงการสแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งบินทบาต คือไม่ทำผิดศีลที่จะไปหาบินทบาทมาไม่ได้บินทบาทก็ไม่สะดุ้งขั้นได้บินทบาทแล้วก็ไม่ยินดีไม่ติดใจไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมบอริโภคเห็นโทษในโลภะหรือว่าเห็นโทษในอาหารที่ต้องนำมาเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะว่าชีวิตเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ดูกรกฏสูตรทั้งหลาย กัสริยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยเสยนาสนะเสนาสนะก็คือที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอนตามีตามได้และเป็นผู้กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษด้วยเสยนาสนะตามีตามได้ไม่ถึงการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งเสนาสนะไม่ได้เสนาสนะก็ไม่สะดุงด้งสะดุ้งเนี่ยคือ ต, ตันหามันอยากได้เมื่อไม่ได้มันก็ไม่สบายใจนะ มันก็ต้องเที่ยวหาต่อแต่ว่าท่านไม่ไ ม, ไม่สะดุ้งนะเพราะไม่มีตัญหาขันได้เสนาสะนะแล้วก็ไม่ยินดีไม่ติดใจไม่ผัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมใช้สอยคือใช้สอยเสนาสะนะก็ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อการร้อนกันหนาวเพื่อเป็นที่หลีกเล่นสำหรับปฏิบัติภาวนาอะไรอย่างนี้ดูก่อนิสูจน์ทั้งหลายกัปสปะนี้เป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยเพสัชบริขารคือด้วยยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งคนไข้ตามมีตามได้และเป็นผู้กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษด้วยเพสัชบริการซึ่งเป็นปัจจัยแห่งคนไข้ตามมีตามได้ไม่ถึงการแสวงหาอันไม่ควรเพราะเหตุแห่งเพสัชบริการซึ่งเป็นปัจจัยแห่งคนไข้ไม่ได้เพสัชบริการซึ่งเป็นปัจจัยแห่งคนไข้ก็ไม่สะดุ้งคั้นได้เพสัชบริการซึ่งเป็นปัจจัยแห่งคนไข้แล้วก็ไม่ยินดีไม่ติดใจไม่พัวพัน มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมบริโภคมีปัญญาสลัดออกจากความโลภในปัจจัยสี่เนี่ยแล้วก็ใช้สอยขีดานาเพสัตว่าเพื่อบำบัดความอาพาธความเป็นโรคเท่านั้นเองเพราะเหตุนั้นแลพิสษุน์ทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้สันโดษคำว่าศึกษาอย่างนี้ก็คือ ปฏิบัติเรียนและปฏิบัติอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และจกเป็นผู้กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษ ด, ด้วยจีวรตามมีตามได้จกไม่ถึงการสแสวงหาอันไม่ควรเพราะเหตุแห่งจีวรไม่ได้จีวรแล้วก็จกไม่สะดุง้งคันได้จีวรแล้วก็จกไม่ยินดีไม่ติดใจไม่ผัวพันมีปกติ จึงเป็นผู้มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยก็ทำนองเดียวกันนี้แหละพุทธเจ้าก็จะกล่าวว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้เราจากักเราทั้งหลายจักเป็นผู้สันโดษด้วยบิทธบาศด้วยเสยนาสะนะด้วยขีฬาณาเพศรบริขารเนี่ยก็พเจ้าก็กล่าวไปจนจบนะ ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหลคือต้องปฏิบัติด้วยความสันโดษในปัจจัย4ี่อย่างนี้ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็เราจะกล่าวสอนพวกเธอตามอย่างกัศปะคือยกพระกัศปะเนี่ยเป็นประธานเป็นที่ตั้งวพระมหากัศปะทำอย่างนี้แล้วก็สอนพระพิสูจนให้ทาตามพระมหากัศปะก็หรือผู้ใดพึงเป็นเช่นกัศปะนะคือสอน ให้ทําตาบุคคลที่ประพฤติสันโดษเหมือนพระมหากระส ป, ปะด้วยและพวกเธอเมื่อได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้นะคือเมื่อได้ฟังโอวาทนี้แล้วก็ขอให้ปฏิบัติด้วยความสันโดษไปมีคําอธิบายอันนี้จบแล้วจบสันตุถสูตรแล้วสันโดษเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องพิจารณานะ พระมหากระสปะนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจสี4คือจีวรบินทบาทเจดสน า, านะและกีฬานาเพศถ้าท่านได้จีวรก็ดีมาแล้วเนี่ยท่านก็จะอาศัยความสันโดษ3อย่างให้เกิดขึ้นคืออย่างที่หนึ่งเรียกว่ายถาลาพระสันโดษ พูดง่ายๆว่าสันโดษตามได้นะสันโดษตามมีตามได้ลาภะเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ได้มายะถาตามตามได้สันโดษก็คือพอพอใจตามได้ได้อย่างไรพอใจอย่างนั้นอย่างที่หนึ่งแล้วก็ยะถาลาภะสันโดษเนี่ยเป็นไปในจีวรเป็นไปในบินทบาทเป็นไปในเสนาสนะเป็นไปในยารักษาโรคเป็นสี่อย่างนะคือว่า ได้ปัจจัยสี่อย่างไรก็พอใจที่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่ายะถาลาภสันโดษอีกประการหนึ่งนะยะถาภะภะแปลว่ากำลังตามกำลังของตนนะไม่ให้เกินกำลังพอใจตามกำลังใช้ตามกำลังของตนอย่างที่อย่างที่สามยะถาสารุ ป, ปะสารุ ป, ปะสันโดษอันนี้ สารุปปาเนี้หมายถึงเหมาะสมหรือสมควรตามที่เหมาะสมตามที่สมควรคือพิจารนาว่าปัจจัยสี่เนี่ยคือจีวรเป็นต้นเนี่ยเหมาะแก่ใครเหมาะแก่ใครแล้วก็ให้คนนั้นแล้วตัวเองอ่ะใช้ทีหลังยถาสารุปปาสันโดษนะท่านอธิบายโดยละเอียดว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้จีวรดีบ้างไม่ดีบ้างเธอก็ใช้จีวร น, นั้นอย่างเดียวไม่ปราถนาจีวร อ, อื่นถึงจะได้อีกก็ไม่รับอันนี้เรียกว่ายะถาลาภสันโดษในจีวรพูดง่ายๆก็คือว่าพอใจตามได้จะดีหรือไม่ดีพอใจทั้งนั้น ไม่ต้องการได้จีวร อ, อื่นอีกถึงจะได้อีกก็ไม่รับนะเนี่ยเป็นเป็นยถาลาภสันโดษในจีวรของเธอเองได้อย่างไรก็ใช้อย่างนั้นคือบางท่านเนี่ยไม่สันโดษได้ของไม่ดีโอ้ไม่ดีไม่ใช้ไม่ใช้นะเก็บไว้หรือให้คนอื่นเข้าไปจะเอาแต่ของดี ทีนี้ถ้ามันไม่ได้ก็มันก็จะทุกข์ใจละมันก็จะขับแคนใจเพราะเรายังอยากได้จีวร อ, อื่นอีกแล้วเกิดไม่ได้ขึ้นมาทีนี้ถ้าได้จีวรดีขึ้นมาแล้วไปเห็นจีวร อ, อื่นที่ดีอีกมันยังอยากอยู่อีกอ้ามันก็จะทุกข์ต่อไปอีกนั่นแหละที่เรียก ว, ว่าความพอไม่มีหรือมีก็ไม่เคยพอมันก็ทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้น สันโดษเนี่ยจะช่วยให้เกิดความสุขตัวสันโดษคือว่าไม่อยากได้ไม่อยากได้อื่นอีกนะเอาเฉพาะที่ได้มาเนี่ยได้มาก็พอใจทีนี้ต่อไปนะภิกษุเป็นผู้อ่อนแอมีกำลังกายน้อยโดยปกติถูกอาพาธคือโรคภัยครอบงำถ้าไปห่มจีวรหนักก็ย่อมลำบาก จีวรมันหนักกว่าที่ตัวเองจะทรงเอาไว้ได้นะเหมือนเราคนไปยกของเรามีกำลังน้อยเราไปแบกของหนักเนี่ยมันก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นเธอก็ควรเปลี่ยนจีวรที่หนักนั้นกับภิกษุผู้ชอบพอกันแล้วใช้จีวรเบาๆให้เหมาะแก่กำลังกายของตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นผู้สันโดษ ตามกำลังยะถาภะสันโดษในจีวรของเธอตามกำลังขอ ง, ของตัวเองภิกษุอีกรูปหนึ่งได้ปัจจัยที่ประนีตมีคือได้บาตรดีๆหรือได้จีวรดีๆเมื่อเธอได้จีวรมีค่ามากอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นอันมากอย่างนี้ก็เอาไปถวายภิกษุอื่นด้วยคิดว่าจีวร น, นี้สมควรแก่พระเถระผู้บวชนาน คือในวัดเนี่ยมีพระหลายหลายระดับพระบวชมาใหม่บวชกลางบวชนานแล้วยังมีพระที่ทรงจําพระใจปิดกได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ย<อ>ก็เอาจีวรที่มีค่าที่ได้มากนั้นไปให้แก่พระเทระผู้บวชนานบ้างอจีวรหรือบาทนี้สมควรแก่ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตร<อ>ก็เอาไปให้องนี้เนี่ยท่านมีความเพียรนะมีความศรัทธาท่าน ทรงจำพระใจพิดกทรงสั่งสอนพระภิกษุรักษาศ า, าสนาไวา้ก็เอาไปให้หรือสิ่งนี้สมควรแก่ภิกษุผู้ป่วยหรือว่าโอ้จีวรที่ควรแก่ภิกษุรูปนี้นะเพราะว่ารูปนี้มีลาบน้อยมีบุญ น, น้อยก็เอาไปให้แล้วก็ตัวเองทํำยังไงเก็บจีวรเก่าของภิกษุเหล่านั้นนะนะภิกษุที่เอ า, เอาไปให้เอาจีวรใหม่ไปให้เอาจีวรเก่าของพระเถระผู้บวชนานเป็นต้น หรือเก็บผ้าที่เปื้อนจากกองขยะเป็นต้นเอาผ้าเหล่านั้นแหละมาทำเป็นจีวรเป็นผ้าสังคติชัยอย่างนี้เรียกว่ายะถาสารุ ป, ปะสันโดษในจีวรของเธอเธอมีความพอใจที่จะเลือกให้แกบุคคลผู้มีคุณธรรมผู้บวชนานหรือว่าผู้มีลาบน้อยเนี่ยให้เขาสักก่อนแล้วตัวเองเนี่ย ใช้ของเก่าๆหรือใช้ของที่เขาทิ้งไว้ตามกองขยะเป็นผ้าบังสุกุลอันนี้เรียกว่าสันโดษอย่างยิ่งเลยทีนี้เกี่ยวกับบินทบาทนั้นก็จะคงจะพอเข้าใจในยะอันนี้แล้วว่าสันโดษตามได้เป็นอย่างไรสันโดษตามกําลังกายของตนเป็นยังไงหรือว่าสันโดษตามการพิจารณาให้เหมาะสม แกคุณธรรมของพระภิกษุอื่นแล้วนําไปให้แล้วเอาของที่เหลือเหลือมาใช้เนี่ยก็เช่นเดียวกันเมื่อได้บินทบาทที่ไม่ดีหรือที่ดีบ้างก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยบินทบาตจะดีหรือไม่ดีก็ฉันเท่านั้นไม่ปรารถนาบินทบาทอื่นถึงจะได้ก็ไม่รับบิณทบาตมาแล้ววันนี้ได้แต่เพียงข้าวสวยแล้วก็น้ําผักกาดดองมานิดเดียว พอแล้วมีคนเขาจะเอาข้าวอันเลิศเช่นข้าวมัตถุปายาตมาถว า, ายก็ไม่รับฉันเฉพาะที่ได้มาอันนี้เรียกว่ายะถาลาภสันโดษในบินทบาทคือสันโดษตามบิณทบาทที่ได้มาของตนเองเท่านั้นส่วนภิกษุใดนะนี่อีกกรณีหนึ่งได้บิณทบาทผิดธรรมดาคือบิณทบาทนั้นเป็นบิณทบาทที่ไม่เหมือนปกติหรือ สแสลงต่อความเจ็บไข้ของตนถ้าฉันก็ไปแล้วไม่มีความสุขเธอก็ควรถวายบิณฑบาตนั้นแก่ภิกษุผู้ชอบพอกันแล้วฉันอาหารเป็นที่สบายจากมือของภิกษุนั้นทำสมณธรร ม, ม, รรมชื่อว่าสันโดษอ่าคือพอเราได้ของดีใช่ไหมหรือของเนี่ยดีก็จริงแต่มันสแสลงโลกก็ไปหาพระที่เป็นเพื่อนกันคุ้นเคยกันบอกท่าน ฉันบินธบาตินี่เถอะส่วนของท่านนะ่ะเหมาะแก่ผมเอามาเถอะแม้เขากําลังฉันอยู่ก็ตามไม่เป็นไรเอามาเลยอย่างนี้เรียกว่ายาถาพระสันโดษในบิณธบาติของเธอภิกษุอีกรูปหนึ่งได้บินธบาติที่ดีที่มีค่ามากเป็นอันมากเธอก็ถวายแก่พิกษุผู้บวชนานผู้เป็นพระหูสูตรผู้มีลาบต้อยผู้อาพาธเหมือนกับถวายจีวรแล้วก็ฉันอาหารที่เหลือของภิกษุเหล่านั้น หรืออาหารที่ตัวเองไปเที่ยวบินทบาตมาได้ด้วยความสำรวมอย่างนี้เรียกว่ายะถาสารุ ป, ปะสันโดษในบินทบาตของเธอเนี่ยฟังดูแค่นี้ก็น่าเลื่อมใสแล้วนะหาคนทำได้ยากส่วนมากก็จะชั้นแต่ของดีนั่งวงด้วยกันเล็งแล้วไออันไหนมันดีที่สุดเนี่ยจะต้องเอาคำแรกก่อนเลยแล้วกเ็เล็งว่าคนอื่นเขาจะเล็งเหมือนเราหรือเปล่า เราเรียกว่ามันไม่สันโดดนะนะไม่สันโดดในบินธบาตได้ของดีบางทีซ่อนซ่อนเก็บไว้ก่อนแล้วมันจะไปดียังไงล่ะเราต้องหาที่ซ่อนเราต้องหวงอะที่ท่านไม่หวงอ่ะท่านให้ของดีก่อนเลยนั้นเป็นเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญ น, นะเราไปอยู่ ใ, ใกล้ใกคนสันโดษเนี่ยเราต้องได้ของดีแน่เลยเราต้องได้ความเลื่อมใสท่านแน่เลยเพราะว่าท่านดีเนี่ยอะไรของดีก็มาให้เราอ่ะ เราจะไม่เริ่มใสนนได้อย่างไรคือพูดง่ายๆว่าไม่เห็นแก่ตัวนะอะโลพะเนี่ยมันไม่อยากได้เพื่อตัวเองถึงจะอยากได้เพื่อตัวเองก็เป็นการอยากได้ในลักษณะที่ให้มีคุณธรรมเกิดมันเป็นความสุขอย่างนั้นต่อไปเรื่องเสนาสนะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เสนาสนะที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างคืออยู่ไม่สบายอ่ะ ไม่น่าชอบใจนะหรือมันคับแคบไปเธอก็เกิดความพอใจไม่เสียใจด้วยเสยนาสนนั้นยินดีตามได้แม้ที่อยู่อาศัยนั้นจะทำด้วยยากเขาลาดโดยยากแล้วก็ให้อยู่ก็ดีใจอย่างนี้เรียกว่ายถาลาภสันโดษในเสนาสนะของเธอได้อย่างไรมาดีใจทั้งนั้นพอใจทั้งนั้นไม่อยากได้ที่อื่นอีกแล้ว ส่วภิกษุใดได้เสนาสะนะที่ผิดผิดกับตัวเองไม่ถูกกับความเจ็บไข้ของตนอยู่แล้วไม่มีความผาสุปก็ถวายเสยนาสะนะนั้นแก่ภิกษุผู้ชอบกันแล้วก็อยู่ในเสนาสะนะที่สบายที่เหมาะสมอันเป็นของภิกษุที่ถวายไปแล้วเปลี่ยนกันนั่นเองอย่างนี้เรียกว่ายถาภละสันโดษในเสนาสะนะของเธอคือสันโดษตามกำลัง ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีบุญมากได้เสนาสนะที่ดีอย่างยิ่งเช่นได้ถ้าบน ด, ดบและก็เรือนยอดก็ถวายแก่ภิกษุผู้บวชนานผู้พาหูสูรผู้มีลาบน้อยผู้อาพาธเหมือนถวายจีวรเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่ไปอยู่ที่ดีๆอย่างนี้เรียกว่ายะถาสารุ ป, ปะสันโดษในเสนาสนะของเธอ นะคือเลือกให้แก่พระผู้มีคุณธรรมเจ้ากอนแล้วหลาก็ใช้ทีหลังแม้ภิกษุสำเนียกว่านะคือพิจารณาว่าเสนาสนะที่อยู่สบายมากแต่มันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อไปนั่งอยู่ในเสนาสนะนั้นแล้วก็ง่วงเหงาหวนอนขี้เกียจปฏิบัตินะความที่กิเลสเข้ามาครอบงำอย่างนี้อากุศลวิตกย่อมปรากฏแกเธอผู้ตื่นขึ้น คือถ้าตื่นขึ้นมาก็คิดแต่เรื่องเกี่ยวกับความอยากได้นะหรือเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องอกุศลทั้งนั้นเรื่องบาปทั้งนั้นหรือถูกความหลับครอบงําหมายความว่ามันง่วงเหงาห้านอนมากก็เลยอยู่นอนในที่อยู่นั้นไม่ลุกขึ้นมาทําความเพียรเพราะตื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดกิเลสก็ไม่ต้องรับเสนาสะนะ ที่ตนได้เธอห้ามเจนาสนะแล้วอยู่กลางแจ้งและโคนต้นไม้ไปอยู่กลางแจ้งเลยให้แดดมันส่องซะบ้างให้ลมมันพัดซะบ้างจะได้ไม่ต้องง่วงจะได้ปารบความเพียรหรือไปอยู่โคนต้นไม้อย่างนี้เรียกว่ายะถาสารุ ป, ปะสันโดษในเสนาสนะคือไม่คิดถึงความเจริญกุศลเป็นสาคัญเนี่ยสันโดษสารุ ป, ปะเนี่ยถ้าอยู่แล้วมันไม่สบายแกการเจริญกุศล คือกิเลนเกิดมากก็จะไปอยู่แบบอยู่แล้วขัดทุนไว้อย่างนั้นนะนะคือจริงอยู่ได้ความสบายกายได้วิบากที่ดีผลบุญที่ดีที่เคยทำไว้ในอดีตแต่มันเป็นเหตุให้ได้บาปคือง่วงเหงาหานอนแล้วก็นอนหลับตื่นมาแล้วก็ฟุ้งซ่านอยู่ในเรื่องอคิดอยากได้คิดเกลียดคิดชังคิดโกรธอะไรกันอยู่อย่างนั้นนะ ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยาที่ไม่ดีหรือยาที่ดีก็ตามเธอยินดีด้วยยาที่ตนได้เท่านั้นไม่ปราถนายารักษาโรคอื่นถึงจะได้ก็ไม่รับอันนี้ก็เรียกวิยฐถาลาภสันโดษในขีฬานัปัจใจคือในยารักษาโรคของเธอส่วนภิกษุต้องการน้ำมันแต่เป็นได้น้ำอ้อยอยากจะรักษาโรคนี้ เป็นน้ำมันเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้ได้น้ำอ้อยมาเธอก็ถวายน้ำอ้อยแก่ภิกษุผู้ชอบพอกันแล้วรับน้ำมันจากมือของภิกษุนั้นหรือแสวงหาน้ำมันอื่นมาทํายาอันนี้เรียกว่าผู้สันโดษตามกําลังคือน้ํามันน้ําอ้อยเนี่ยเป็นเป็นยาได้นะใช้ทํายาได้หรือใช้เป็นยาได้เลยอีกอีก ภิกษุหนึ่งมีบุญมากได้ยาที่ดีคือได้น้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นอันมากก็ถวายแก่ภิกษุผู้บวชนานผู้พหูสูรผู้มีลาบน้อยและผู้อาพาธแล้วก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยยารักษาโรคอย่างใดอย่างหนึ่งอันตนนำมาสำหรับภิกษุเหล่านั้นคือหม่ความว่าเอาของดีไปให้แล้วเอาของที่ไม่ดีอ่ะที่ภิกษุเหล่านั้ น, น, นมีอยู่ภิกษุที่ อายุพรรษามากหรือพระผู้ศูตเอาของท่านมาใช้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้สันโดษด้วยคีลานภิษฐ์บริขารสารูปปะสันโดษนะเอาของดีไปให้เอาของไม่ดีมาใช้ส่วนภิกษุที่นําสมอดองด้วยน้ํามูดน้ามูดบัวน้ําปัสวะบัวแล้วเอาสมอไปดองมันให้ไอ สมอนี่มันเปรี้ยวเลยนะแล้วก็ใส่ไว้ในภาชนะหนึ่งวางของหวานสี่อย่างคือน้ำมันนะน้าตาลน้าอ้อยน้าพึ่งซึ่งมาเอามาผสมกันเนี่ยซึ่งเป็นยาอย่างเลิศเลยวางของหวานสี่อย่างไว้ในภาชนะหนึ่งเมื่อเขาพูดว่าท่านผู้เจริญท่านอยากได้อะไรก็ถือไปได้เถิด หากโรคที่จะต้องรักษาระงับได้ด้วยยาเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่เอาของหวานสี่อย่างเพราะคิดว่าสมอดองด้วยน้ำ ม, มูดนี่พระพุทธ เ, ทเจ้าทรงสรรเสริญดังนี้แล้วก็ทำยาด้วยสมอดองน้ำมูดอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้สันโดษอย่างยิ่งคือยะถาสารุ ป, ปะสันโดษในชีานาเภสัต พระพุทธเจ้าได้จัดถึงสันโดษทั้งสมเหล่านี้นะว่าดูกรภิกษุทั้งหลายกัดสปะนี้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ก็คือนี่แหละวสันโดษด้วยยถาละพระบ้างยถาพระบ้างยถาสารุปปะบ้างคือแล้วแต่ถ้าได้ของดีมากๆก็จะทํายถาสารุปปะเอาของดีไปถวายคนอื่นตัวเองใช้ของที่ไม่ดี นะอย่างนี้นะถือ ถ, ถ้าทําเป็นแล้วเนี่ยจะมีความสุขถ้าทําไม่เป็นแล้วก็จะเกิดความทุกข์ทีเดียวว่าเอ๊ะทําไมเราทําไมเราต้องได้ของไม่ดีทําไมเราต้องไปยอมให้คนอื่นเขาอันนี้มันเพื่อความสุขใจนะไม่ใช่เอาความสุขกายเป็นหลักเอาความสุขใจด้วยคุณธรรมเป็นหลักคือสันโดษมันเกิดแล้วมันก็ปลื้มใจปลื้มใจกับตัวเองนั่นแหละความ พอความไม่อยากได้ของดีไม่อยากได้ของอื่นอย่างนี้มันเกิดความสุขด้วยตัวเองตัวเองทาเองตัวเองจะรู้เองทีนี้ทำไมจะต้องสารเสรินด้วยเพราะว่าภิกษุบางรูปเนี่ยเป็นผู้สันโดษแต่ไม่กล่าวสารเสรินคุณแห่งความสันโดษก็มีอยู่แต่บางรูปเนี่ยไม่เป็นผู้สันโดษ ตัวเองไม่มีความสันโดษแต่ว่ากล่าวสารรเสริญคุณแห่งความสันโดษว่ า, าดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นบางรูปก็ไม่เป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยและก็ไม่กล่าวคุณแห่งความสันโดษ ด, ด้วยตัวเองก็โลภมากแล้วก็ไม่ได้สรรเสริญความมักน้อยอสันโดษอะไรอีกรูปหนึ่งเป็นทั้งผู้สันโดษและก็กล่าวคุณแห่งความสันโ ด, ดรูปนี้ น, น่ารสรรเสริญเช่นพระมาหากษัตริยเทระท่านเด็ก มีความสันโดษแล้วก็กล่าวสรร เ, เสริญคุณแห่งความสันโดษด้วยทีนี้คำว่าไม่แสวงหาปัจจัยสี่โดยความไม่สมควรก็คือเช่นไปเป็นทูตส่งข่าวเขาหรือไปรับใช้เขาโดยบอกว่าเอานะจะใช้อัตมาทาอะไรอัตมาจะทาขอจีวรดีๆนะขอบินทบาทดีๆขอที่อยู่ดีๆขอยาดีๆ อ, อย่างนี้เรียกว่าแสวงหาไม่สมควร ก็ภิกษุบางรูปเนี่ยนะคิดว่าเอ๊เราจะได้จีวร อ, อย่างไรดีก็ไปเข้าพวกกับภิกษุผู้มีบุญทำการหลอกลวงอยู่นะหลอกลวงชาวบ้านอยู่แล้วก็ได้ปัจจัยสีมาถ้าไม่ได้ก็สะดุ้งนะก็หวาดเสียวว่าเอ๊เราจะไม่ได้ซะแล้วของที่เราอยากได้ไม่ได้แต่ว่าสำหรับผู้สันโดษแล้วไม่หลอกลวง ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปไม่สะดุก้กไม่ตกใจคือไม่ติดไม่ติดด้วยความโลภในสิ่งเหล่านั้นไม่ยอมสยบแห่งตันหาซึ่งมันมีกาลังมากนะรู้ว่าถ้าเราไปติดใจไปพัวพันว่าไออันนี้จีวร อ, อันนี้ดีบินทบาทอันนี้ดีเราต้องได้อีกอย่างนี้แล้วก็ตันหามันเล่นงานเราตายแน่เลยไม่ต้องทำมาหากินอะไรท่านบอกว่าอันตันหาท่วมทับไม่ได้คือโอบรัดไว้ไม่ได้ เหมือนกับตัณหามันเป็นคนตัวใหญ่หญมันนั่งทับศรีรษะเราเรื่องอะไรจะให้มันนั่งทับบนหัวเราหรือมันเหมือนกับเป็นงูตัวใหญ่ที่มารัดตัวเราเรื่องอะไรไปให้มันรัดเนี่ยคนที่มีความสันโดษเนี่ยตัณหาคือความปรารถนาจะท่วมทับไม่ได้โอบรัดไม่ได้เป็นอย่างนี้นะที่ว่าไม่พัวพันไม่สยบไม่ ติดใจไม่ยินดีในปัจจใจสีในความสัโดษมันมีคุณธรรมมันเป็นคุณสมบัติอย่างนี้มันให้ความสุขอย่างนี้แล้วก็เห็นโทษอยู่ซึ่งการแสวงหาอันไม่สมควรเช่นประจบคฤือหัดเขาหรือหลอกลวงเขาว่า เ, เราเนี่ย<ม>เป็นพระอริยะบุคคลชั้นนั้นชั้นนี้อะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่ทำนะเพราะเห็นโทษแล้วก็เห็นโทษในการติดบริโภคโอเราติด บินทบาตเนี่ยไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ตรงเนี้ยทาไมบ้านนี้เขาใส่อาหารดีต้องไปรับทุกวันหรือติดจีวร อ, อยู่ก็เหมือนกันเนี่ยไม่เป็นของทุกยากแก่ผู้นั้นเองก็เห็นโทษอยู่ก็ให้พิจารณาว่าใช้จีวรก็เพียงเพื่อกำจัดความร้อนความหนาวอย่างนี้เรียกว่ารู้จักการสลัดออกไม่ติดแล้วใช้สอยส่วนบิณธบาตนั้นก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นสันโดษสามอย่างในปัจจัยสี่อย่างเป็นสิบสองอย่างรวมเป็นสิบสองอย่างสรุปว่าการกล่าวความประพฤติและการปฏิบัติขัดเกล้าที่กล่าวไว้ในสันตุติสูตรนี้เป็นภาระของพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีหน้าที่ที่จะ สอนเรื่องความประพฤติสันโดษและการปฏิบัติขัดเกลาคือทุดงแต่การบำเพ็ญข้อปฏิบัตินี้ให้บริบูรณ์เป็นภาระของพวกเราพวกเราคือพระภิกษุทั้งหลายให้คิดอย่างนี้นะว่าให้ศึกษาคือให้ให้ให้คิดให้ถูกว่าพพุทธเจ้าสอนแล้วเนี่ยไม่ใช่สอนไปเปล่าๆเราจะต้องรับเอามา เป็นของสูงสุดมีค่ามาปฏิบัติเป็นภาระของเราต้องปฏิบัติเธอคือภิกษุทั้งหลายคิดว่าเราควรถือเอาภ า, าระอันมาถึงแล้วเพื่อนปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นตามที่เรากล่าวแล้วเราในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าพรุทธเจา้ากล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุต้องคิดว่าโอเราจะต้องรับภาระอันนี้แล้วปฏิบัติเพื่อให้เป็นอย่างนี้ให้ได้เพื่อให้สันโดษเกิดในชีวิตเราให้ได้ แล้วสันโดษจริงๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขในปัจจุบันแก่บุคคลนั้นจริงๆไม่ต้องไปทะเละาะอาใครเขาว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้จีวรดีๆกับชั้นบ้างไม่ให้บิณฑบาตดีๆกับชั้นบ้างแล้วก็จะเป็นที่รักใคร่ของพระภิกษุทั้งหลายเป็นที่เคารพยังเกรงพระภิกษุทั้งหลายแน่นอนเลย เพราะเือเฟื้อบุบคคลเหล่านั้นนี่เรามีของดีเราก็ไปให้ไปบำรุงพระภิกษุทั้งหลายส่วนตัวเองก็ใช้ของที่เหมาะแก่ตัวเองเหมาะแก่กําลังกายเหมาะแก่โรคตัวเองหรือใช้ของที่เหลือใช้ของที่ไม่ดีไม่ต้องไปทะเลาะกันเราต้องคิดว่าเราไม่ได้มาบวชเพราะเหตุว่าจะต้องการได้จีวรได้บิณฑบาเตเจะานาศะที่อยู่อาศัยดีๆียารักษาโรคที่ดีเรามาบวชเพื่อได้ความสันโดษ เพื่อได้ความมาักน้อยเพื่อได้ความพ้นทุกข์หรือได้ความสุขในคุณธรรมถ้าเราจะมาบวชเพื่อได้ลาบมากๆก็ไม่ควรบวชเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มาบวชเพื่อมีจีวรมากๆนะไม่ใช่แต่บวชเพื่อให้มีความสันโดษมากๆอย่างนี้ทีนี้ต่อไปนะคำสอนของพระมหากรสปะ ในอนโนตตาปีสูตรว่าด้วยความไม่สะดุ้งกลัวต่อความชั่วข้าพเจ้าคือพระ อ, อ น, นุนได้ฟังมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัปสปะและท่านภาษาราบุตรนั่งอยู่ในป่าอิสิปตนะมฤุกขายวันกรุงพาราณสีครั้งนั้นแลท่านภาษารีบุตรออกจากที่พักผ่อนในเวลายเย็นเข้าไปหาท่านพระมหากัปสปะถึงที่อยู่ขั้นเข้าไปหาแล้วได้สนทนาปราศัยกับท่านพระมหากัปสปะ ท่า น, นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระมหากัปสปะดังนี้ว่าท่านกัปสปะผมกล่าวว่าผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสผู้ไม่มีความสะดุ้งกลัวอันนี้หมายถึงสะดุ้งกลัวบาปเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความตับสรู้ไม่ควรที่จะมีปัญญาไปรู้จากอริยสัจสี่ ไม่ควรเพื่อพระนิพพานไม่ควรเพื่อที่จะดับความเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าดับทุกข์ดับกิเลสไม่ควรเพื่อบรุษธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมไอ้บรรุษธรรมอันนี้คือมักนะบรุมักมักหมายความว่ามันพ้นนะ่ะพ้นไปจากกิเลสเพื่อบรุษธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะไอ้แดนกเกษมจากโยคะเนี่ย